ใพราสาวกี่ท่านพาดำเนินแบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นเจ็บที่ทำลายวัฏจักรทำลายกองทุกขทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัฏจักรวัฏจิต แบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัฒนักรวัฒนกิรโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือความหวังท้าให้เคลื่อนไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัว สาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีบใดแต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทั้งทังที่ก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำดาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้าตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจ ในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมายนี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพ า, าดำเนินมานเรื่องความหวังนั้นฝังกันได้ทั้งนั้นแหละแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดาเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้น มันเป็นอีกแง่หนึง่งพุ้นอึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อผู้ปฏิบัติที่ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทำให้มรุญนิพานว่าร้ายผลร้ายประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าเต่าตุ่นของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนวลล้ว น, นทำลายทำอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใด มาทำลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติลุ่มๆุ่มบอลดอนนั่นเลยโดยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาให้ดียาเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดาย พระสงฆ์สาวกท่านผู้ค่ากิเลสให้คิบหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดายฝืนความเสียดายนั่นด้วยการต่อสู้ด้วยการสลัดและนำธรรมที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้น จะชื่อว่าดำนาเวนตามหลักศาสดาความผิดถูกชั่วดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่าฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลําดับจนถึงหพระพรรษาหนีวนได้ตั้งแต่ สมบุกสามันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางด้วยมาก็ทรงสลัดปัดออกเรื่อยเสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยราพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูนเมื่อได้กัดสรูแล้วทรงรู้เองถึงเองพราะทรงสแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใดที่พระอาวาสได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นนั่นและคือปฏิปทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปคานอันออกมาจากการดำเนินและสวขาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้น อุปฏิบัติจ้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคอนทรอน์อย่าอานิจสัยของคารวาสนิจไสยของกิเลสซึ่งเป็นค่าศึกต่อธรรมาใชาย้ยจะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริลนิสไยของตนที่เคยฝังจมมากับกิเลสนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการพปฏบิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจ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 เปี่ย์กรอบครอบงำคูเข็นบังคับบัญชามีอำนาจก็มากความเปี้ยกล่อมก็แหลมคมไปล่อเพราะพลิงอำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนแล้วไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้ให้ได้หลุดพ้นไปจาก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 อุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่าธรรมจริงกระเทือนจิตใจมากในทางเสียใจพูกถึงความเสียใจเสียใจมากอย่างพยามาเสียใจทายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปรวัตนนสูตรตั้งแต่ภูมิมเทวดาสัตตมุสาวสุมสัตต ถ้าเวซุ่งเลื่อยเลยคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้วสัดดังสุตวาสัดดังสุตวะนี่เราพูดเพียงย่อๆเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นเทวดาแต่ละชั้นละภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรมโลกนี่ฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรม เหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละเพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดราถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัตจกักรจักครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอด พ้นไปไม่ได้ยัง ม, มีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตามขายของสวขาธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นนหะลพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระอดเองไม่มี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 จะเพียงพอกับการบําเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่เต็มภูมิในอัธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่าลายใดที่จะอยู่นอกขอบข่ายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัตจักรนี้ไปได้ เนี่ยชัดโลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตาด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคําว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้กระจายออกไปนั้นจึงมีทางเล็ดลอดบ้างแม้ไม่มากก็าตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่และดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้ว จะได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดีเพราะความเชื่อความรู้ส识 ใ, ในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่ใจิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความบุบัติขึ้นของพระพุเทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนํา ส, สอนทางเล่นลอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลําพังพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูก ทรงรู้เองเป็นเองเห็นเองไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาขแขนงทำลายวัตจกักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเองจากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบุรุษรมีปฐมมัณสาวเป็นต้นในยึดเอาหลักเกณฑ์อ น, นั้นไปธประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อย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 ดี่ียความมัตตจักลงจากกิจใจหมดแล้วเยิดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาพเปียนไม่ลดละความฝากความฝืนแลเร่งความภาเพเปียนที่จะเป็นไายพวกความบริสุทธิ์อิมุตหลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกนี้ดังที่เคยเทศเสมอว่า พละห้าหรืออื่นสี่ห้านั่นเป็นธรรมสาคัญมากเยียวโยงกันอย่งอิทธิบาทตรเสมอนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้าคือกําลังห้าอย่างรวมตัวข้งเข้าหนุนดวงใจให้มีกําลังแก่กล้าหนุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกําลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในจิตนั้น ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยกิตตวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจกฆ่าฟันหั่นแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนั บ, นบกับนับกันไม่ทั้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมมัตตจักรภารกณกนจิตนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเรา เพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิปทาของของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสังฆทันาการฉามีที่ท่านดําเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกําลังใจสําคัญที่จะให้ฟันฝ่าอุกศรรักซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทําความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้น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 ดำเนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกมมีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกำลังใจมีที่ให้ความเชื่อความร่มใสความหวังก็เป็นขึ้นมาจะหวังขนาดไหนก็เป็นขึ้นจากความเชื่อนี้เป็นถึงสาคัญเมื่อเชื่อมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วความหวังความพ้นทุกข์ก็มาพร้อมๆไน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 ไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้มีมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลทำของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากป ร, ราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเปอร์เซนไปเองเท่านั้นนี่เราบวชมาเพื่อพ ด, ด้วยพุทธทางธรรมังสันคังสานังกชามิ เหตุใดจึงให้กิลเลสแท่นังคัดถามมีเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสงวรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคํานี้จําไมาให้ดีขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถิดจะทราบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยทินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถาน ที่หลับพี่นอนที่รับกล่องบำรุงบำเรอตนให้พ้องมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิต ด, ดวงนี้เลยเมื่อพริตสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้วจะต้องสัมผัสนำพันจะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เข็นได้ข่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าได้สาวกผ้าเข็นข่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปขัดแย้งท่านได้ นังที่เคยพูดหมักปัญญาสุตตามยะปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดปินตามยะปัญญาพิจารณาไตรกรองหาเหตุหาผลโดยอัดโดยทำเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพือไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่พัวพันกับใจตนอันเป็นข้าสุกนั้นไปโดยลําดับ เบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตมัยปัญญาอินตามัยปัญญานี้ก่อนต้องได้ใช้การบังคับพาพินิจพิจรารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กเล็กน้อยๆอยแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่ยอมจะเป็นสักขีพยานย่ยอมจะมีกำลังใจ ให้ดิพินิตพิจารณาค้นคว้า ม, มากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ภาวนาภาวนามยปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปศึกษาสําเนียกจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนา หากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจ ม, มูกลิ้นกายแล้ใจความสัมผัสระหว่างอานาภายนอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้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 กิเลดอยู่ในสถานที่ใดหยากและรางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลาดับตาดาและข้าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยัง้งไม่มีคำว่ายอมแพ้จะยากลาบากขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยเอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักด้วยใจของตนเอง โดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละเป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจา ก, กจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นที่เพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกําลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาโดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติ เพอาสิ่งที่จิดขวางรวงใจไม่ให้เกิดสติปัญญาให้จิตให้ค้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวนเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ย่อมยิ่งมีกำลังพุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื่นหยาบระเยดไอายได้หมดทีนี้กิเลสอยู่ตรงไหน ทำอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภาณานใจยอยู่ตรงไหนมันแสดงงวดลาอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้นกันให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยเป็นในตัวด้วยนี่แหละที่ว่าธรรมะสดสดร้อนๆมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละครั้งพุตธการและครั้งนี้เหมือนกัน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 แล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโอยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเวล่ำเวลาด้วยที่นี่จะเป็นท่ามกลางแห่งสนามลกอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหลืกับทมต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียนหรือฟากฟันหันแหลกกันกับที่เหลืภายในหัวใจของเรานี่แหละ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 นับถือศาสนาก็นับถือด้วยอํนนานาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้แต่ทําบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกําหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปเสียหมดไม่มีธรรมที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงทำได้อย่างไรนี่สาคัญดังที่มันกําหนดกฎเกณฑ์ให้เราทําความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหมถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละ คือมันทํางานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นแเป็นอย่างไรตัง้งที่กิเลสลากไปจนถลอกปอกเปลือกก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถลอกปอกเปิกจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหักกิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคล ลากถูเราไปอย่างนั้นแล้วถ้าในวันป่ามันตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไม่ดีก็ระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังครื้มใจอยู่ว่าได้ทําความภาคความเพียรมันเพียรอะไรอืมนอกจากมันเคลื่อนไปกับเพลงกล่อมของกิเลสลากไปนั้นหนังขาดไปก็ยังพอใจ กระดูกขาดจะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้ว่ากระดูกเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปดีไม่ดีกระโหลกทิศะเจ้าของก็จะหลุดไปไม่มีทิศะก็ยังกทิ้งกมันได้สบายไปเลยนี่เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ที่เหลือลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดําเนินตามนี้เถอะ จะรู้มันทุกเนี่ยทุกมุมไปโดยลำหนับลําดาค่อยขายายไปกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของจิตถี่ยิบเข้าไปคติปัญญาก็ตามต้นเข้าไปเหมือนไฟได้เชือ้อเผาไปเป็นลําดับลําดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทําดีไม่ดีเผลอตัวแต่ก็เผลอไม่นาน คำว่าไม่เผยตอยังพูดไม่ได้ต้องเผอก่อนคนลรเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ว่าคิดต่ภาวนาหรือว่าภาวนามะยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวกับทุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและอชชัศจรรย์ที่สุด รอบสามเดือนโลกถาตนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนีเท่านั้นที่เด่นอยู่ในโลกธรรมกับกิเป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจารณาย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันมีเสียษวิโสูที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหน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 ผู้ที่เคยรู้เ ค, เคยละมันมาแล้วต้องรู้ตังพระพุทธเจ้าทัพพระหานท่านปิดท่านไม่อยู่นี่แะความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกับหน้าใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสระดูใหม่ๆทรงท่อพระไยัยทั้งๆที่ทร ง, ทงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อผลสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตภกมินี้อยู่แล้ว แต่เวลาในตลาสรู้ทำแล้วยังทรงเกิดความพลอยน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนานแน่นเอาจนขนาดทรงตามความพวอยน้อยนั่นเองโอ้ ข, ขนาดนี้ทําไมใครจะรู้ได้เห็นได้ัสุดมิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงพอยงังชีพให้เป็นไปแลวถึงวันตายเท่านั้น แล้วไม่ควรจะสั่งสอนไปอีกแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสะเลยเราจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสะเลยเหมือนเราใครจะกล้าจะรับความทุกข์ความลํา บ, บากขนาดที่เราจะรับความทุกข์ความลํา บ, บากเพราะการต่อสู้กับเกตมานีิเล่ามันจะไม่มีลายใดถ่าจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอ ดังชีวิตให้เป็นไปเท่า น, นั้นก็พอแล้วถึงวันก็ไปเลยนัเพราะทรงรู้เฉพาะวงจํากัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดาเ น, นิและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้ยังมีอยู่ต่อเมื่อในพิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สืบวิสัยของโลก ของไก่ไข่จะรู้ได้แล้วทําไมเราเป็นอะไรเป็นเทพวุเทวดามาจากไหนวิเศษจะกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกุไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดาเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั้นแน่ก็เมื่อแนะนําสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดาเนินให้เขารู้และทําไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่ จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้ภูมิปุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนะ่ทรงเลงไปอีกเตือนยานก็ทราบชาัดว่ามีได้ที่นี่น่ถึงขนาดนั่นลหละเห็นไหมความทอดอะไรตายอยากกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของจิรเหลกที่พระองค์ได้เคย ต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าสวาชีวิตจิตใจตนต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลือเ อ, อเล่เข็ดหลาบในพระองค์แล้วก็เข็ดหลากในการสั้สอนคนอื่นให้เขาทำดังพระองค์นี่แหละหลักความจริงเป็นจันนั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นปลาย เหมาะสมกับเหตุผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณปรัชรูเป็นศาสดาขึ้นมาทรงทาหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันปัสรูแล้วจนกระทั่งปรินิพานยังประกาศทำสอนโลกไว้ตลอดมาจนกทั้งถึงวันนี้ว่าทำนี้สามารถทำนี้สามารถขอให้ผู้นำปฏิบัติเป็นผู้สามารถทอ มักคผลนิพานจะอยู่ในเงื้อมือไม่ต้องสงสัยกิเลส จ, จะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัตจกักรวัตจิตมันจะหนาแน่นขนาดไหนทนมัจจิมาปฏิปทานี้ไปมาได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเธอเอาเธอเหมือนอย่างนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวร่เวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั่นนั่นไม่ใช่เราสถาคตสอนนั่นไม่ใช่ทำสถาคต มันเป็นคนมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหาอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวะะัฏฏะวนนะอย่าเชื่ อ, ใ ห, อให้เชื่อทมจะเป็นนิวัตติจิตขึ้นมาภายใน จ, จิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อคาถาโคตนะอพุทธังสนังกะฉามิเปลงถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบททัติทองตนให้ถึงท่านทำมังสนังกะฉามิเป็นถึงที่วิเศษเลิศเ ล, เลอไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามเดือนโลกธาตุนี้ มีพระนิพพานนึกวิสุทธิธรรมเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเอามุ่งใจถวายลงไปสังขังสนงนักระฉามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตาได้ได้บไปถึงความขั้นบริสุทธิ์บิดมุดพรนิพพานด้วยกา ร, รุตสาพยายามเราเป็นลูกตาขากดเราถอยหลังทําไมเอาที่สังขังสนงนักระฉามนีไว้ว่าอย่ายงไงถึงใจได้ต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดําเนินทุกสิ่งทุกอย่างแนวจะพ้นไปไม่ได้นะ ไม่อยู่ที่ไหนมาผลนิพพานอยู่ที่กิจที่กําลังถูกรุมล้อมอยู่ด้วยอย่าผิดทั้งหลายนี่ฟันลงไปนักปฏิบัติอยาท้อถอยอยาเห็นอันใดเลิอดยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าส่อคาธรรมที่จัดไว้ชอบแล่านี้เราเคยคุกค่าวเลยเคยล่มเคยจมมากับวัตวนุนกับเพลิงของจิเดียดนี่มานานแสนนานแล้ว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 การจะรู้ทาเห็นทารู้ด้ภาคปฏิบตัติปริยตัตศึกษา เ, าเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาคุยปฏิบตัติปฏิเวทจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลาดับกําดาแต่ทำนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอย่างนั้นนี่ก็น่าคิด าศาสนาทำคำ ส, สอนของพระเจ้าเป็นธรรมที่เลิอดที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคมพีบาลานใช่หมดอยู่ในตู้ในคมพีบาลานไปอยู่ในความจดความจำของผู้ท่องบนสังวัทะยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยาศาสนาธรรมเลยการเป็นเรื่องปริยัตไปใช่หมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวพนเลยาศาสนาธรรมคือคือคำพีบาลานคือความจดความจำท่า น, นั้นก็ใครก็จำได้จดได้จำได้ท่องบทสังวัทะยายได้ก่วงแคบมากน้อยแต่มันก็เป็นเพียงความจำโลกเขาประจําได้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 ชื่กิเลสในกัมพีบรราลานได้ความทุกข์แก่กัมพีบาลามีหรือมันทุกขอยู่ที่ใจของเราต่างหากกิเลสอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นให้ย่ายีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ายีเราก็แล้วกันให้เอามาใชา้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นมาาํามาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นามาใช้มีเรียนจดจําได้มากน้อยเพียงใดก็ เท่านั้นแนี่เหมือนกับเครื่องมือร้อนฟ้านั่นเองไม่นํามาแก้มาขายมาถอดมาถอนที่เด็กอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาลุ่นดุจใจในจิตใ จ, จนี้จะเกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้พรพาก็อนุญาตทางทรงสอนไม่แล้วปริยาตปฏิบัติปฏิเวททำสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากทางศาสนธรรมอย่างแท้จริงหังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏบิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดําเนินตามหลักของครูที่สอนนี้ เรากันตั้ง อ, อกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติแล้วปฏิเวศจะแสงตัวขึ้นมาภายในาจิตใจของเรานี่ไม่เอาจิงไม่อาจังไปไม่รอดนะอยากเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังนะอยากเข้าใจว่ากิเลสนี่มีวัยเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะ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 เพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับธรรมหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนําเอาคือปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันอไม่มีคําค่าชร า, าไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นตัวคําค่าชร า, าเสียทั้ ง, งทั้งที่หนุ่มฟ้า อ, อยู่นี่นำเอาคือปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นดำพระพุทธเจ้าทศาบสบวกสงฆ์หลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสุสดๆร้อนๆแท้ๆ ืไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ทำก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสะะว่างที่ตรงนั้นมันโลกุลังตรงไหนหรือถอนสิ่งที่โลกําลังออกความเตียนล่องจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโลกุที่จิตใจมืด อ, อยู่ที่จิตใจพอถอนออกจากจิตใจนี้อืมเปิดสติปัญญาสตากำเพียญขึ้นที่จิตใจนี้จะสะว่างจ้งขึ้นพานาใจแล้วหายสงสยัย ไม่มีอะไรที่จะหาสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหาสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วภาษาทูแม้ว่าพูดในเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทําไมาของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสารที่จะกรบบ่บงบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกอธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดๆบมาตจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามวิจเจ้าหาอะไรของอันเดียวกัน รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันทหานนี่แหละมันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามกันนะอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานดิการขบกันฉันไม่จําเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครแ้วะเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกันถามมันนอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะ กูไเหนื่อยแล้วเอแล้วนะแค่นี้พอยเนั่นกครเทไปทีบมันต้องเป็นกลุ่มเล